เนื่องจากว่า <c oughs> วันนี้เป็นวันพิเศษก็ อ, อยากจะให้ลองเอาโปรแกรมเสือข้าบดาบมาใช้สักบอันเคยได้ยินคำนี้ไหเหมะไม่เคยอ่ะาจารย์โกกิจมาพูดให้ฟังอาจารย์กกิท่านทาที่แฝงแสงเทียนรายการเสือข้าบดาบอาปากไม่ได้อาปากดาบตกเสียเ้า ต้องเข้าไปตะลอดเวลาก็คือนั่งปฏิบัติต่อหนึ่งทั้งวั น, นแล้วก็ในช่วงการนั่งนี่แล้วก็ <c oughs> ใช้ยืนได้แต่เปลี่ยนิบไ ป, ปทุกทางเลยเมื่อท่านไหนก็ตาม แต่ถ้าหากว่าเข้มจริงๆก็ไม่ต้องเปลี่ยนเนี่ยแหละแต่เรียบบุตรแต่นี้ไม่ถึงเข้มขนาด น, นั้นแล้วก็นั่งปฏิบัติกันดูเพื่อให้เกิดปัญหาเมื่อเกิดปัญหาแล้วก็จะแก้แก้แล้วจะเกิดปัญญาแต่ถ้ า, าก็าสบายเกินไปมันก็ไม่ค่อยเกิดปัญหาผืนผืนไปเรื่อยเรื่อยปัญญาก็ไม่ค่อยเกิดมันก็เกิดตัณหาแทน <c oughs> เพราะฉะนั้นเองวันนี้เราก็คงจะใช้ โปรแกรมนี้ดูเนาะจะไหวไหมมีใครบ้างเป็นผู้ใหม่เพิ่งเข้ามาไม่เคยปฏิบัติเลยมีไหมยกมือหน่อยหนึ่งสองสามสามคนเนาะสี่มีสี่ที่คนนี้ไม่เอาเสียขับดักเอาแมคขับเนื้อก็แล้วกันะครับเดี๋ยวจะได้ปรึกษากับ ลุมปีชาอีกทีเนี่ยวันนี้มีโปรแกรมเสือครับดาวไม่ต้องใช้โปรแกรมเขาเข้าดาวอย่างเขาก็ได้คือนั่งปฏิบัติตลอดทั้ ง, งวันแล้วก็จะมีการแต่เราจะใช้ในศาลานี้หรือจะใช้ข้างล่างนี้ค่อยตกลงในทีหนึ่งเสือครับดาวเมื่อเขนั่งเป็นอีบด์นั่งเป็นส่วนใหญ่แต่ถ้าจะมีการเดินก็ไม่ใช่เดินแบบนานเดินอาจจะผ่อนคลายในบด สานาทีห้านาทีก็กลับมานั่งใหม่ที่กานั่งบฏิบัตินานๆนี่เพื่อที่จะได้เห็นกายเห็นใจชัดๆอยู่กับตัวเองแบบถ้าคิดง่ายๆแบบเพื่อไม่ให้ใจมันดิมากเกินไปลองตายโดยสักวันนึสมมติว่าวันนี้เราตายจากหนึ่งคิดสักวันนอยู่กับเรื่องความรู้สึก รู้สึกตัวอย่างเดียวมควาว่าอาจจะเป็นแปลงโปรแกรมประจำวันรูบ้างเพราะเนื่องจากวันนี้เป็นวันพิเศษก็คื อ, อหลังจากที่เร า, เารับอาหารเช้าเสร็จนะทําพระกินตัวเสร็จประมาณสัก8โมงหรือ8โมงครึ่งดี เป็นเกษตรุรส่วนตัวประมาณเท่าไรคุณมีชาไปบมหรือไปบมคงก็ให้เร็วที่สุดเลยครับให้เร็วที่สุดเลยครับแต่ว่าไม่ได้กำหน ด, ดตายตัวใช่ไอแล้วกิจกรรมเนี่ยมันจะมีตายตัวอยู่ครับนี mm ้ hmm. ขนาดนี้อาหารเช้ามันรับได้เร็วขึ้นเร็วขึ้นนะรก็มีเวลาเหลืออ๋อคือวันนะี้เราจะทให้เวลาในกิจกรรมน้อยที่สุดแล้วกันเนาะเราจะได้มาเวลาภาวนากันให้เต็มที่สักวันหนึ่ง ม่แน่วันเดียวนี้อาจจะเข้าถึงแทบจะทำได้ได้เพราะว่าบางทีในสมัยขัง้งพุทธกาลไม่ถึงวันได้ซั้นไปนะสามชั่วโมงห้าชั่วโมงอย่างพระอันพระหิยะทารุจิย ะ, ยะเจียวุรธเจ้าแค่ชั่วโมงเดียวมรรลุธรรมได้ละอริยะสะอริษสะโคนบุตรเจียวุทธเจ้าแค่สองชั่วโมงบรรลุธรรได้แล้วองคุลิมานเจียวุทธเ้าแค่ครึ่งชั่วโมง รลุทาได้นางป a t r า j a l เจอพระพุทธเจ้าแค่ไม่ถึงไม่ถึงครึ่งชั่วโมงเพราะฉะนั้นเราอย่าดูถูกตัวเองนะลองมานั่งย่างอย่างที่พระอาจารย์ท่านว่าคือไม่ต้องไม่ต้องอะไรความรู้สึกอะไรมันเข้ามาในกายก็ก ส, กสลัดออกไปเหมือนในสลรานี่เราจะทำความสะอาดมัอนอะไรมันลบ ก, ก็เอาออกไปนั้นเองให้สลรามันล่มๆอยู่ เพื่อเรามาใช้จะใช้ได้สะดวกนะมนไม่ไ ม, ไม่ไม่ไปทำอะไรมากเล ย, ยเพียงแต่เออมันคิดมาก็สดัดความคิดไปมันปวดมาก็สดัดความปวดไปมันเบื่อมาก็สดัดความเบื่อออกไปมันไ อ, อขี้เกียจมาก็สดัดความขี้เกียจออกไปแค่นั้นเองเพราะสิ่งเหล่านี้ล้วนแต่เป็นขยะทท้งนั้นเลยแต่เราก็ชอบสะสมขยะเนาะเพราะมเป็นกดของความไม่เทียมนี่แหละ นาทีแค่นี้การจเจริญสติเพื่อเก็บกวาดสิ่งที่มันพึงปรารถนาออกไปแล้วนั่งเนะ่แล้วก็การเก็บขยะของความปวดออกไปทําไมก็เพียงแต่ขยะแล้วก็พลิกนิดหน่ยมันก็ทิ้งไปแล้วนี่เก็บง่ายกว่ขยะอีกใช่ไหมคลิกปั๊บก็หายไปแล้ว <c oughs> ไม่ยากเลย <c oughs> ขยะอย่างเรื่องได้เก็บเราหาที่เก็บที่เผาอันนี้ไม่ขยะขยะนี้สังขารเนี่ยเก็บง่ายแต่ ที่มันออกยากเพราะเราอะไรขี้เกียจเก็บ <c oughs> มันก่อนมันอยู่เทิรงบลเริงบลูเริขี้เกียจเก็บมันก็เลยพอไฟมาถูกเข้ามันเลยเผาเราเยนะอย่นี้สุ่มขยะเผาตัวเองก็คือเผาไปเผามาก็เกิดความเบือ่อความนายความขี้เกียจความคิดความปุ้งแต่งพุ่งซ่านปวดเมื่อยเพราะทิ้งขยะไว้นานเกินไปมันเลยเผาเราถ้าเราขยันเก็บมันใบไหนตกมาเก็บทิ้งเก็บทิ้งเก็บทิ้ง ร่างกายจิ่ใจก็โล่งทั้งวันเลี้ห่ลองดูไหมนี่คือทฤษฎีเสียข้าวดาบทีะเก็บขยะออกจากกายจากใจแต่สำหรับคุณใหม่ยังจะเก็บไม่เป็นเนาะวันนี้จะให้ใหท่านพิจันรพาไปสาธิตการปฏิบัติกันสักครึ่งวันแล้วก็มานั่งเสือข้าบดาบกับเขาปกช่วมบายต่อไปเลย ทั้งกลางวันทุกอาทิตย์กันรูป ก, การย่างการเปลี่ยนการเดินการไปมาการเก็บขยะเก็บยังไงขยะเปียกคนเก็บไว้ที่ไหนขยะแห้งเก็บไว้ที่ไหนอืขยะแห้งหมายถึงอะไรขยะเปียกหมายขยะแห้งหมายถึงว่าไอ้ส่วนที่มันเกิดกับกายเก็บง่ายเบาขยะเปียกเกิดขึ้นกับจิต แต่เกิดขึ้นกับจิตหมายก็ว่าถ้าเป็นความคิดที่ผ่านมาแล้วก็ผ่านไปก็เป็นขยะแห้งแต่ความคิดบางอย่างผ่านมาแล้วมันเลยผ่านไปผ่านมาเลยเมื่อวันคิดเรื่องนั้นว่าจะโทรไปหาเพื่อนที่ไหนให้มาเขาดากับเขาที่นี่คิดไปคิดมาติดในใจเลยนี่หาวิธียังไงทีนี้เขาก็เก็บโทรศัพท์ไม่ให้โทรวันนี้เก็บโทรศัพท์จำไปเก็บไหมมาที่นี่กเก็บโทรศัพท์ไหม คุณพิชาเก็บแล้วที่เราขอร้องกันขอร้องกันร้องไปับรับไปเนี่วันนี้เราขอเก็บหน่อยเนาะเพื่อมาให้ขยะเปียกมันเข้ามาเยอะขึ้นไปเก็บไปถ้าหากว่าเอาไว้ที่ใดที่หนึ่งได้เกิดชุกเฉินมาก็โทเข้าเบอร์หลักของคุณพิชาก็ได้ก็เพื่อที่ทําให้วันนี้มีความหมายว่าเราได้เก็บขยะ ขอปีเก่าทิ้งไปจริงๆเพื่อปีใหม่เรื่องพวกนี้เราจะได้ไม่มีขยะเก่าเหลืออยู่ในกายในใจของเราเหลืออยู่แล้วก็รู้จักวิธีเก็บขยะมันหมดไม่เป็นดอกขยะแห่งสังขารมันแห่งหล่นไวกว่าใบไม้ได้สักใบใบไม้ปีหงมันลนครั้งแต่ขยะของสังขารมันเกิดมันดับมันเกิดมันหล่นมันผรีมันหล่นอยู่ตลอดเวลานั่นถ้าไม่ขยันเก็บจริงๆนี่โอเปลี่ยมเก่าอย่างจริงนะ กายก็เต็มไปได้วยโรคขยะที่เราเก็บขยะหมักห ม, มมนานเกินไ ป, ป, ไป ก, ก, ก็คอยให้เกิดเป็นโรคทางกายเก็บขยะหมักหมมในจิตมากเกินไปก็ให้เกิดเป็นโรคกิเลสอาสวะตัณหาอุปาทานอะไรเยอะแยะไปหมดมนั่คือขยะทั้งนั้นเลยเราจังตรอดเหมือนเรากินอาหารจังฟูดะก็เป็นขยะกับร่างกายทํำให้ป่วยไม่สบายโอเคไหมผมขเสนอในนี้นะไม่ได้วังคข้า ถ้าหากว่าโอเคด้วยภาษาทูพร้อมกันภาษาทุสามคนเองแ <c oughs> สดงก็ไม <c oughs> ่ค <c oughs> ่อยพร้อมเอาใหม่โอเคเอนี่ถูกบังคับภาษาทูลกือเ <c oughs> <c oughs> ก็ลองๆองดูเนาะด้วยความปรารถนาดีเพราะมามายากแล้วก็นานๆานมาทีมาแล้วก็อยากจะให้มีอะไรที่ที่ได้ประโยชน์จากได้การจากกันชัดๆั น, น, นะจะได้ ไม่เสียเวลามาไปที่ไหนก็ทําแต่เรื่องนี้ไม่ทําเรื่องอื่นเรื่องอื่นทามาเยอะแล้วเสียเวลาแต่ทําเรื่องนี้ไม่เสียเวลาเราก็สุขเขาก็สุขเราก็สบายเขาก็สบายเราก็ได้มรรคไม่ผลเขาก็ได้มรรคได้ผลอันนั้นคือประโยชน์สูงสุดเรียปรมัตดประโยชน์แลกเปลี่ยนปรมัตดประโยชน์กันทิฏฐธรรมประโยชน์ก็ทํามาแล้วสัมปรายเจตการิก็ทําเอาปรมัดประโยชน์คือประโยชน์แห่งมรรคุณิพานด้วยปรมัตดประโยชน์ าควรจะได้ไประโยชน์นี้ร่วมกันให้ประโยชน์สูงสุดนะในช่วงวันนี้เนาะแต่ใ น, นการจะนั่งนานเท่าไหร่เดินเท่าไหร่อันนี้ก็จะคอยสมากับอาจารย์นนยคง ก, ก็จะอยู่เป็นเพื่อนตลอดทั้งวันวันนี้นะเพราะฉะนั้นก็จะไปสิ้นสุด ต, ตอนไหนก็คอยว่ากันตามเหตุปัจจัยแต่ถ้าหาว่า บางคนยังไม่เคยทําเนี่ยปวดไม่ไหวอาจารเบือ่อก็เส้นก็ปวดที่เพราะคุณเก็บกรอยาไว้ทั้งนานคุณไม่ลื้อทิ้งเนี่ยปวดเบือบบ่อเหลือเกินนะก็เบื่อที่เพราะว่าเก็บตะแังไทั้งนานไม่ยอมทิ้งเลยก็ควรมันจะเบื่อได้มันไม่ใช่ว่าเกิดขึ้นยังไๆนะต้องสะสมความเบื่อมาทั้งร้อยอยู่นิดพันอยู่นิตแล้วถึงนะ่าเกิดมาเป็นความเบื่อขนาดหนักตัวนั้นนะเรารู้สึกเ บ, บื่อนิดก็หาหาเหตุมันเพราะ อ, อะไรมัเงเบือ่อเพราะเราขี้เกียจเปลี่ยนขี้เกียจสลัดนั่นเองแหละ เพราะนั้นต้องใช้วิริยะให้สูงนะขยันเปลี่ยนขยันปรับขยนแก้ไปเรื่อยๆสบายๆเบาๆชีดเหมือนง่ายจะได้ไปเบาสบายไม่มีอะไรเลยแต่ที่เราไม่รู้จักวิธีมันก็เลยเป็นเรื่องยาก น, ะ น, นั้นเราก็พยายามวันนี้นะเพราะนั้นก็ในช่งชวงเช้านี่อาจารย์ท่านให้อุบายวิธีแล้วตอมาก็มาบอกวิธีการว่าจะทํำยังไงแต่วันนี้ก็ คิดว่าจะเหมาะสมแล้วก็ออกไปผ่อนคลายกันสักพักแล้วเราก็หันไปเดินนักลุาานะ่นเสหน่อยดีมครับเออคือเดินนักละวนนุ่นนะเนะมีเส้นทางข้าอกน่โอเคท่นนี้เตรียมตัวกรับหรอกัน <c oughs>